ได้เจริญฌานทป็นคณะอาจารย์ในราการของการนําำของผู้ช่วยศาสตราจารย์มิชัยสุครีโรชา น, นและบรรดาคณะอาจารย์ที่รักช่างหลายที่แมวทางตามมาจากอิรครูพุตุรีของเราในวันนี้เพื่อทัศนะศึกษานอกสถานที่ยังวัดวารามต่างๆทั่วไปแต่ามาเพื่อไม่เสียเวลาในที่ประชุม ท่านอนาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิชัยได้ามากล่าวเหตุผลอห้ตมาชี้แจงถึงเรื่องเวงกรรมตามสนองจากประสบการณ์กับปัญหาเรื่องจริงของอตมามันก็มีอยู่หลายเรื่องเพื่อจะไม่เสียเวลาในที่ประชุนนี้ก็แสดงเหตุผลสักสองสามเรื่องตามแบบอตมาผู้หนึ่งเมื่อก่อนเป็นเด็จเป็นคนลั่นมาไม่เชื่อเวรกรรมไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบัตรคิดว่าเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้เนี่ย บุญบาปคงไม่มีแน่นอนแล้วเวกรกรรมจะมีมาจากไหนอย่างไรเพราะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ซึสงใจโดยวิธีนี้อาตมาก็เริ่มต้นทําบาปมาตลอดตั้งแต่อยู่ชั้นปรถมมาศึกษาขึ้นไปมัธยมหนึ่งไปตามมันดับก็เริ่มทําบาปโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดว่าบาปบุญคุณโทษมันจะมีจริงประการใดก็ใส่ใจอยู่ตลอดเวลาการทั้งเรื่องการกระทํา ว่ามันไม่มีบุญบาปแน่นอนนโยกมนุษย์นี่นึกว่าตายไปกองศูนย์แน่ไม่มีใครกลับมาเกิดอีกทิกอย่างนี้มาเป็นเวลาช้านานเมื่อครั้งสมัยเป็นเด็กนึกมาเป็นเช่นนี้อาตมาก็เริ่มต้นด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการสร้างบาสมาตามระดับเริ่มต้นด้วยการอยู่โรงเรียนโรงเรียนติดศึกร ส, สารอาทิศย์นึกมาตอนเย็นวันเสาร์อาทิต์ก็อยู่บ้าน คุณยายตมาปุดเป็นกุษณมากจิตเป็นกุษณที่เดียตอนนี้ยอมให้ตะมานี่เอาเป็นโตขาหวานไปถวายสมภารวัดคือวัดตรงไหนตรงนี้เองมีพยานหลักฐานวัดสัทาพิลล์เดี๋ยวท่านจะเดินทางผ่านจะเห็นป้ายวัดทางที่ข้ามลํนาน้ำลบบุรีเมื่อก่อนนี้เขาเรียกวัดใหม่สถาราชมาตอนหลังนี่เปลี่ยนเป็นวัดสัทาพิลล์เดินทางจะเห็นเดือยเมืองสิงบุรี ถ้ามาหน้ามลำลุบลีไปจะพบวัดอยู่ซ้ายคือพบแต่ใตวัดจะต้องไปอีกนิดเนี่ยให้ไปถวายพระอาตมาคิดว่าพอเดินทางไปก็เอาเป็นโตไประหว่างทางไปเจอพบเพื่อนนักเรียน้กันเขายังไม่ได้รับผาเลยก็บอกว่านี่จะไปไหนี่เธอบอกเราจะไปยายให้เอาเป็โตไปถวายพระอไปถวายทำไมก็เห็นด้วยไปลูกชาวบ้าน ให้ลูกมาเนื้อบั้งใจมาบวชเหมือนกับเราเนี่ยน้องลูกในกองน้องขอไปบวชก็เป็นพระพันอย่างนี้ธรรมดาเรามากินไปดีกว่าผลุนท้ายก็เอาเป็นโตมารับทานทั้หมรับทานเสร็จแล้วกว็ล้างก็เรียบร้อยเอาปักไปคุณยายถามบอกคุณทานอยู่ไหมตายจริงเราก็แกล่ะเพาเรามีเทายุทธ า, ากว่ายายบอกคุณยายครับผลเองเนี่ยไปถึงก็มาได้ขึ้นปกติให้เด็กไปถ่ายให้เรียบร้อยถาวายท่าน แล้วก็รีบกลับมาอย่างนี้นะครับคุณยายคุณยายก็บอกต่อไปว่าต่อไปนะครับไปใหม่ต้องรับพรมาด้วยรับพรจากสมภานเจ้าวัดมาด้วยคืหลังเธอจะทําอย่างนี้ไม่ได้รับพรถวายข้าวก็ต้องรับพรถวายก็ไม้กํามือนะหลานนะคุณยญญายก็ว่าอย่างนี้อันดับสองรองมาให้ไปถวายอีกถวายอีกอาตมาก็ออกไปถวายถวายอีก เอดูก็แก้ตัวไม่อยู่ชุผ่านไม่อยู่เราก็เอาไปกินที่เพื่อนมาเจออีกแหมโชคดีกึงจะสบายไปเลยมีจังข้าวจังหวานถึงอินมน้ำซ้ำลานแล้วก็ล้างซะหยุดดีเจ้าเรื่องงานบ้านตมะเนี่ยมันดู่ันน้ําลําเลยไปดูต้องเดินทาฝากตอนนั้นมันง่ายแล้วก็ดําเดินลุยน้ําทำฝาเอาไปโตล้างเสร็จยายก็ตะโกนออกมาเลยล้าง เจอสผพานไหมเจอครับแต่ละพรแล้วก็มาแท้จริงสผ่านยังเสือกมานั่งบนบ้านเราเมื่อจับได้ตอนนี้ถ้าทําไปสังเพ n นมันใต้ก็กลับมาเยี่ยมยายเพราะยายเขามี่นจิตจมุสนสอบพอกระสผ่านดีนายธรรมนองนี้นายก็แตมาก็แก้จุดไมายาย่ได้บรรดาสมพานอยู่ละพรเรียบร้อยแล้วผมก็มาสผ่านนั่งยืนอยู่บนบ้านแต่มาขึ้นไปไม่ทันเง็นสมพานบอกนั้ น, นี่หลานมากระจายมากระายทั้โดนเทียย่ยงวันนี้ ต้นพันดังเสือกมนันดังหรือยไม่บอกก็เหล่าซะด้วยไม่บอกแท้จริงต้งนพันธุกันไปฉันมาแล้วก็คุณยายก็บอกว่าหลานเอ้ยเจ้าจะต้องเป็นเปรตยาวให้เอาของไปถวายพระกลับไปกินซะเองอันนั้นี่เป็นเปรตเปรตจะยังไงคุณยายครับเออหลานเอ้ยเปรตมันก็ปากทะลุเข็มปากจูกินอะไรลําบากนะหลานนะอ๋อโตโยงเยืร์มเหมือนต้นตาลมันก็ว่าไปตามเรื่องของพระท่สันเทศกันมาแล้วไม่เชื่อก บอกยายไม่จริงยายเห็นที่ไหนแต่ด้วยรางปากถ้ารู้เข็มเห็นที่ไหนอ่อตอนนี้ยันร่าพระทันเทศมานานแล้วเราจะต้องเป็นเปรตต่อไปนี่ยายว่าอย่างนี้ออหัวเราะในใจหัวเราะหนอกไม่ได้เดี๋ยวยายตีพอสมพานไปแล้วเพื่อนบัดต่อหน้าแขกไม่เทียงยายก็ยิ้มเสมอนอว่าเราเนี่ยหลอดจากการตีแล้วการทำโทษพอสผ่านไปสักพักหนึ่ง ละ่ะยายบอกหลานมานี่ฮะยายจะเล่ามิธานให้ฟังเป็นไม้เลยแล้วเอมาตัวกาแล้วก็น้ากระเพียบฟังมิธานหัวซ้ายหัวขวาเลยแล้วก็เอาหน้าไมโคนเพื่อจับอายุสับัติไปเลยบอกนี่ต่อไปเจ้าจะเป็นเป็ตอตมาไม่เชื่อแล้ประการที่สองเวลาต่มาไปวัดก็เอาหาบตักข้าวไปยายมีลักษณะการให้เอาก้นดินใส่กระบืง หาไปหนักทั้งกลับทั้งทั้งไปทั้งตับบอกยายหาไปทำไมหลานเอ้ยเราไปวัดไปวานะหลานนะจํายายไว้ไปเหยียบดินวัดติดมาไปเยื่อวดวัดที่รดวัดปฏิบัติเลืเอเถอะเป็นนี่สองไปนี่สองเจ้า ต, ต้องเอากระดินไปนะเอาชายหาไปไปเทวานิวัดเพื่อใช้ยนี่สองอาตอมาบอกไม่จริงไม่จริงบอกว่ายายนะยายบอกหลานว่า เข้าควายเนือเข้าไปวัดตะเหยียบเป็นไปนบอนเป็นบาปหลายเยอแต่ไม่เชื่อหรักดูซิว่ามันจะเป็นกตำยังไงมีอันดับหนึ่งขอผ่านไปอันดับสองลองมาอาตมาขึ้นมาชุนย์สองเลยครับก็จะต้องการหาตะต่างไปกินโรงเรียนอ่ขอเชืจริงเนี่ยแพรแม่เขาให้ไปอาตมาไปเรียนหนังสือนี่ไกลหลายกิโลอยู่เรียนไปจังหวัดสิงห์บุรีมีนักเรียนสมยัยอาตมาเรียนอะ่ะมีสองร้อยหกสิบคนมหนึ่งถึงมหก ม7ม8ต้องไปต่อถึงกุหลาบสมัยโน้นแล้วมันมีใครเขาไปเรียนมีโรงเรียนลาดอยู่โรงเรียนคือโรงเรียนสิริศิษฐ์โภคกับโรงเรียนสิงหาอิศยาหยดในตอนนี้ตามไปตามอำเภอไม่มีโรงเรียนมั่งมีและไมนมีใครไปเรียนนอกนะเหนือจากลูกชายนายเท่านั้นเขาไม่ไปเรียนมีโยมเรียนกันแล้วเวลาไปสอบเข้ามัธยมหนึ่งสองไม่จำสอบเขาไปต้อนให้มาเรียนในอย่างนี้นะแล้วก็คุณสมาไปเรียนนั่นอ่ะกุ้ยเสียว ก๋วยเตียวนะกูวยเตี๋ยวผัดไทยากาละสามตะตันไกไทยห้าตตันนะขายที่หน้าโรงเรียนวัดบางพูทามัธยมหนึ่งสองเรียนที่ศาลาวัดมัธยมสามสห้าหกเรียนที่โรงเรียนอาคารเด่งเรียนเป็นอาคารไม้สมอยโนตทครูก็ตายไปก็หมดแล้วมื่อสมัยก็มาเรียนสือนะอย่างนี้ แถมโอกาสที่ไปเรียนหนังสือนั่นค่าเล่าจ้าค่าเล่าจ้างเดือนสามสิบประจังแล้วถ้าตายจะท่ามป้าไปนี้นะเอากันเป็นเดือนแต่ก่อนนี้เดือนละยี่สิบห้าขึ้นมาสามสิบประจัอตาตมาโองค์่าหินจังองเล่าจ้างอีกนะเพราะ แ, แก่แล้วแกไม่รู้บอกนี่ลุงให้ายาหน้าตะตังเมือเดือนที่แรกเออให้ยาไปยากันตายองคองขจับได้ แล้วก็ต้องเลื่องไปงออะไรกระต๊อกขี้กระต๊อกไปข้ามเรือยังนวลหน้าไว้ดังซาเลยข้าเรือไม่เยอะไหมองข่านี้ไปข้ามท้าเหนือข้าเหนือจับได้ไปข้ามเทืสบาลนี่สร้างบุญมาอย่างนี้แล้วตะมาเรียนหนังสือเนี่ยกว่าจะจบปริยญาตรีเนี่ยป่าโรงเรียนเรียนตไปถึงป่าโรงเรียนเรี่กรุงเทพเรียอะไรจังเรียนที่ป่าโรงเรียนหนูจำไว้นะจ๊ะแตยโรงเรียนเดียวใช่ไหมดาดอยู่โรงเรียนมาห้าเดือนสามเดือน ม่ทําเพิ่มต้องออกนอี่เป็นคนดีอย่างนี้เดี๋ยวไปเรียนให้จบแตเลี้ยงจบแต่โรงเรียนจนะใช่ไม่ได้สา่ไนมะ่เนี่ยหนูจำไหมเนี่เอาตาร า, ยอยาของพ่อไปใช้งั้นก็เป็นเช่นี้แล้วโองคหรือจ๊ะงั้นในเวลาที่สุดเป็นเจ้ามือพาพวกกินบะหมี่เสี่ยวชื่อเกลุ่มเดี๋ยวเล่าเส ก, ก่อนของอยูนได้กลุ่มขายบะหมี่ผัดไทยอยู่ที่สลาหน่าวัด บ, บางบุศ ผัดไทยผัดลายเลยอาตมาพาพวกทีเล ย, ตยไต่งไทยใช่ไหมเลยห้า 5, ตัางห้าตังซึ่งยังดีบอกเราอวกไปจำดูนะและ้ยวยกุ้งกบคนเดียวอ่ะผัดคนเดียวก็ก็ผัดงวงยุ่งไอ้ชะตังมีอยู่ในจานตังมีรูกอ่ะเราเดกลยวมเถอแล้วก็พัดชะตังอยูกลุ่มกมนละนี่ไอ้ตัว น, นี่น ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตังละเทียร์ดาวแบบเออตไปได้เอ้ไม่ให้ข้าวผัดเสียวผู้เสียวไม่ให้นะแน่ละก็มีไอ้ตังอูใครใคก็ต้องมีพวกอาตมาที่พวกมาก นะสองไปลักอ้อยอันโพยินรักออยเขาดา่าควางบานแหลกไปเลยนะความบางแงหลกนี่ต้องนะอย่างนี้นะหนูนะลองทําอย่างนี้นี่มีประโยชน์นมากควางบ้านแหลกไปเลยสามหลังจำได้หนาะเขาดา่าเราบอกกินงยังไม่พอเหรมันจะฆ่าไปเหรอนี่ลักอ้อยในสมัยอันโพยินนี่เขาทำรักอ้อยงดทำรักอ้อยงดถือเท่าว่าจกอ้ายก็มากมาเดี๋ยวนี้ก็สาไปเนะ เขาทำน้ำ อ, อ่อนงดการเทอินมากมายน้ำอ่ออยู่ใน่พาแบกบเลยตัดแบกเจ้ของว่าไปสร้างแบเนี่สร้างความดีอย่างนี้อฉบาบต่อมาฉบับต่อมามัธยงสองจะขึ้นมัส ม, มสามสร้างความดีแทนคืนอีกตอนลุงคนหนึ่งหลสร้างตอมเต่ตให้บาสังนอบอกลุงจะไปทำอะไรจะไปแก้มเหานี่ลุงขนาดนี้ยังไง ขนาดนี้ลุงขนา้แต่เราสนายตัวยหญ่ๆแต่ไม่ยิ่งมาญนม่ย้นหนึ่งสองที่เป็นนมเลยนะม่ย้อนย้อนสองที่เตนนมเลยนะลแต่โตขนาดว่าจะแก้าอาบน้ำโตนจไม่ไดือู้อนเลยมันอยอยู่มั้งนี่ทีนี้รับต่างต้มเตาบาตรุ่งต้มยังไงเตาเขาซื้อจากพวกยวนมาชือดแทงตาก็ผายตู้เท่านี้นะเวลาเขาบอกว่าเออต้นทั้งเป็น บองวิธีต้นทงานเอาหม้่มาตั้งใส่ในสมัยนั่นม้อโรบินีนไม่มีมันมีหม้อมาดินไอชื่อเาเรียกว่าหมอยินต้มลายตามหลังบ้านก็ไปลักของเขาแล้วต้ไม่บ้านก็เดี๋ยวพ่อแม่เขาจว่าอาตมาก็ตัดนะตั้งใสน้าเดือดนล้วหมาไอหมาดินมันมีฝาก็เอาไอหมอเขียวไอหมอเขียวอ่ะไอหมอเฉียวที่ยอ่ะสมัยเก่าๆอ่ะเดี๋ยวนี้ม่มีเยก็ไปลักหมอเขียวเข้ามาฝามัน พอน้านเดือดพลาด น, นะนทังหลายเ อ, อ๋ยตมาก็เทเต่าเทเต่าลงไปแล้วหมกเยือกสาเยือกติเต่าดีมากสามัาทีดีกับคนมันเชื่อจะวิ่งม้อแตกไปเลยแล้วก็วิ่งข้ากระเพราไปหมดวิ่งข้าวกระเพราไปหมดหนเมื่อไปชิมแล้วเต่าไม่ตายตมาดูจาใ จ, จกกเต่าใจแข็งมากขลอกกอกตัวหมดเลยเหยือหูไอ้พุกมันตะกุยน้าตาล่วงวิ่งข้ากระพก็มาตามจะจับ มาเวทนาเลยก็ไม่ตามปล่อยมาตามเาใสงั้มาไปที่นี่ตาลุงเขาก็หนาะตายสทุกวันวอกจุกอะไร ม, มีมอเมตตาเขาแล้วมมตตาเขาเลี้ยวงั น, นบอกว่าเอ า, เอาตางค์คืนมาบอกมูลระชาติผมลงทุนไปเนะีมม่ยมอเมตาหมดถ้าอย่างงั้นเธอจะต้องไปเอาตะพินมาแกมแลอาอจามาก็ต้องไปดัานาสายรัประทินที่ก็ตากไว้หนอกชาญเอามาเป็นการหยัดทนเต่าไต เมี่ยการรักของเขาในเวลาตามต่อมาโรงเรีนติดภาพเพิ่มติดชัยอยู่มัธยมสาเนี่ยรักขึ้นมัธยมสี่มีครูใหญ่คนหนึ่งประถมศึกษางวัด้าพรมนครตรงนี้เองชื่อครูทัวเป็นครูใหญ่คือครูทัวตอนนี้ตายไปหมดแล้ว <c> ก <oughs> ็บอกว่านี่เธอมาช่วยฉันยิงปืนเอาเปืนไปยิงนกแอะแมาช่วยน่ย เลยอาตมาก็หานโยบายบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะไปกวดวิชากับครูครั้งแลวต้องเอาเสือ้ออาหมอนไปด้วยเอาไปหมดแล้วก็มาก็หายทางไปรอยนิ่งก็จะไปนั่งพอมเอถอะพ่อเถอะก็วิ่งเขวเอืนยิงห้านัดใส่ห่อเสือนนมัดทั้งอยู่ในปืนแบบมาเอาในตางหอกหมอนเสือ พ่อพ่อแม่โง่กันลายเรามีเท่ฉลาดกว่าแล้วก็เดินอย่างสบายข้ามฟ้าไปวัจแจนสุนครไปอยู่บ้างทุกทวกพอเทตกินมาเดือดไปตรวจวิชาเลยไม่เดือดไปตู้วถึงเช้ารับชาอาหารเราก็ออกตลางคืนหน้าหลังวัจแจหน้าจักสีเรื่องวัฒนนลจักสีมีน้องน้ําใหญ่มากมนแงน้ําใหญ่มีนกเป็ดเป็นฝูงๆเมื่อสมัยก่อนนกกระสานกกระพุงนกปยางมีมากมาย ไปยิง น, นกอาตมายิงปืนมางยิง น, นกแต่มนน้ำยิงไปหน้าไม่ถูกมันแถ บ, บหมดยิงจนมีอวิทยยิงให้วิทยุหใหม่พวกครูทั่วคือตะเพ า, าตะตุในท้ายแดงในท้ายเารือนินลังกาประนี้อยู่เรือคันดินแล้วมาอยู่ไปในท้ายเรือนินลกาในท้ายอันดับหนึน่งคือตะตุตะเพ า, าก็หนึ่ง แล้วก็คูทั่วเป็นครูใหญ่วละแจ้งผลละครถามดูได้มีที่สุดก็ตายดีกักนอาตมาเป็นเด็กก็เอาอยกตั๋วคัมแพร์อาปืนงานลอยลค อ, อยงไปในน้เอาพวกปอดพื้นนี่เราฉลาจากคนแก่คนเฒ่าเาขาจึงได้มิยมไหลไประดับหนึ่งวิชาอื่น้องไหลทั้งนี้พอนาะเห็น น, ก, นกเป็ดแล้วระยะใกลพอจะยิงถึงย่ายิงอย่ายิงหนูตามมาเนาะเพื่อจะทําตามดี เปิดง้อมากไปเงะก็บินแล้วก็คู่เชื่วอยู่บนหลิงใครหนอกก็เฮือเงาะบินขึ้นสูงอากาศอยากบินดินตอไหนเงะนี่มันมีหัวหน้าเงะมันมีหัวหน้าเงาะมันจะบินขึ้นไปสูงไอ้ตัวสูงคือตัวแม่แบบมันจะดูหนอกไหนจะไปลงที่ไหนมันก็จะมาบินงมาบอกดูหนอกว่าจะต้องไปลงหนองไหนมันก็ม้วนเป็นลามตาพอม้วน จ, จะเดินเคลื่องย้ายก็ปอง โป้งโปงห้านัดยิ้มบมดเลยดาวกระจายห้านัดนกตกไปน่องตกไปน่องเนี่ยไอ้ขากมั่งขาหากมั่งอะไรฉน ง, งนี้ไปไม่ได้ตายคาที่แบบก็หล่นมาอาตมาก็ปืนลั่แล้วพวกน้องก็รีบลงนองเอาใส่ตะเค็งเขึ้นตะเค็งอาตมาขึ้หนึ่งสนุกดีหักคอเลยหักคอใส่ตะเ้องหักคอใส่ตะเ้องหักคอใจ่ตะ่อ็งนะในเวลาการต่อมา งกมันคอกนั ง, กนงเลยหกนัองหัวไเลยตมาเ ป, เ, ป เ, ป เ, ปเป็นแล้วหักคอกนัง้วยนหัคอจกระเาเวลานานรงเรียนติดเชือพอสามวันจะเปิดเทิถึงาก็มาเตรียมหนังสือที่จะไปเรียนหนังสือมายมสือ่อปเลยก็กลับบ้านเวลาอนั้ น, น, นวลาตามต่อม า, มาม <c oughs> ยังไม่ทราบวุ่นบาปเ็นตามใดอาต ม, มาก็าสรุปผลงานจากการทำบาป ของเราเริ่มต้นเดีเอากับข้าไปถวายพระแล้วโยยายบอกเป็นเปรตแต่สลุคินอันดับสองต้นเต่า อ, อันดับสามโกงข้าเจ้าอันดับสี่ไปข้างบ้านเขาพังไปที่อันเทลินอันดับห้าก็ฆ่านกโดยหักคออันดับหกดึงนกกระสาไปทักที่รําจั๊กจี เนื้อก็อมันก็วิ่งออกหน้าหนอไปแล้วก็วิ่งขับตามแต่มหาหักมันบินไม่ได้แต่ขามันยาวเราวิ่งจนเหนื่อยเร <c oughs> จะจับได้พอจับได้จะทำไงหนูโปรดฟังให้เราต้องวิ่งยังไงวิธีทำทำยังไงขัดขาเลยขัดขาขว า, าเลยโปงนกร้องไห้โศ ก, กาลายัย น้ำตาไหลบึนมปับปรับปรับปับปัปับหน้าเวทนางีดแล้วเศร้าใจรึ้ปลตายขาดทุนหักขาไม่ชื้อแล้วก็เอากระท้ากระเทือหัวมันโดยยถธนีนกกระสาสถึงจะความตายยิ่งให่ภานั่นเองอันนี้อันดับหกในวลาตามต่อมาอาตอมาก็ามาบวชในกระาสน า, ศาตั้งใจว่าบวชกระสาเดียวเท่านั้นแพรวะวิชาเรามีเยอะ เรียนถนนตูดดดด้ดีตู้ตู้ตาเพื่อนทุงเราที่คู่ใจคือด็อกรทิศมากสวัสดิ์บัดนี้มองเทียนไปขึ้นแล้วตายเราเคยไปอยู่บ้านหลวงประดิษภัยเลาะซิมตะบะเลียงตาสอนซิมตะบะเลียงว่าจะมาเคยไปกินข้าวมาหลวงประดิษภัยเลาะแ ล, แลหลวงพาลาผู้ลิงนั่งทาให้ราชการที่หกเลนโขนเป็นคุณหลวงและตีลนาดเอกให้รัชการหกเล่นโขน ดูดี่บางแหวกบางคนบุรุตอตมาก็ไปอยู่บางนี้เช่นเกันแต่จึงฆ้าของเ้าอันนี้อดเช่นกันลูกหลวงกระดิบไพร่ทั้งเป็นนกเตราอีก ม, มากมายหลานศิลปะไปลยเป็นดองกับหลวงปราบอังวะผู้พยาปราบอังวะสู้เป็นนายเรือนายนาวานวุกผู้นาเรือของยุรยงเรือฝ ร, ร, รั่งเศส่้มที่ตาพนะ คุณแม่เป็นหลวงป่าบอังละแต่ว่าคุณแม่ของเขาคือนองหลวงประดิษฐ์ธัลักษก็เพิ่งขึ้นชีวิตไปแต่ตอนี้ ก, ก็อายุหกหนึ่งปีอายุตายร้อยสองปีอยู่ขึ้นชีวิตไปแล้วอยู่หน้าอู่อทหารเรือกรุงเที่ยนี่เป็นโศกนาฏเดี๋ยวจะเล่าตามต่อทีหลังในเวลาตามต่อมาประมาบวชแล้วตอนม า, ม า, มาคิดราบุบาปจะมีจ่ายบมปงั้นเวลาต่อมาบวชวันนี้ทุด ได้ก็ถือาสุดถลวประหลาดดัขค้่นนี่เธอถ้าจะสึกตั้งนโมโมเป็นไหมตั้งนโมโเป็นเขาสุดไขหนึ่ง้อสองุทธกุลได้ยงถ้าไม่ซึ่นต า, ม, ามีคุณธรรของพุทธกุลแล้ไม่ควรสุดอาตมาพุ่หมวกคุณใจเลยก็เดินทางต่อไปไม่รู้จะไปไหนบอกหลวงพ่อว่าใจไม่ดีต้องไปจิตใจดีจอบเลยก็ไปอยู่กับหลวงพ่อเดิมวัดหนองผูกก็คว่าธรรมขันธ์มีพันธรรมคูมีพัสุลคุณที่เราได้ราบร่านิ้รหลวงพ่อเดิม อยู่ก็บท่านหเดือนต้นแต่ไปเรียนวิชาเรียนทางน่ะดูม่าตนใจใจท่านก็ให้วิชาเรียนทางต่อข้างตาตกน้มันบอกเธออย่ายืนเธออย่าจ้องหงังอย่าอวดรูอวดดีนะผู้ใหญ่ให้จะมีางรูไว้ไชว่าไช่ตาแบบถามเ่อมีโอกาสจะใช่เหมือนผู้ใหญ่ให้ชื่อไปหลายตัวตัวไหนไม่ใช่ทัไปก่อนบางคืมีโอกาสจะจาเป็นจะต้องใช้งานนั้นก็เอาชื่อถเราหาเป็นอะไรเต็มงหนี่จำไว้้นใจด้เิดึ้นใจ ผู้าหญ่ให้ยาจมองรู้มายชยว่าย่า ง, งายาบาแบบถามมี่หลวงพ่อเดิมคือพระคุณบีวาทธรรมขันมีอายุเหยียบย่างร้อยห้าปีมโนละพ่อที่วัดน้องโพนครหัสนอันนี้ได้ความาอัตมาก็สื่นใจก็ศึกษาวิปัสนามาตามัดเดินทางผุดดงตามหลวง็รลีไปแลวหลายวัดหลายวาถึงหลวงค่อุดรไปตามดัดอันนี้ขอม่หลัขอลายอย่างโรงตามตามเวนการตามสนอต่อไป หลับมาเนี่ยก็โย่เรื่อยตายมาจนถึงอยู่วันนี้ในเวลากลางอันสมควรนี้เมื่อกี่ตื่นี้มาเริ่มใครจับขอท่านทั้งหลายโทราบถ้าคนไหนจะสร้างความดีต้องมีกรรมคนไหนเริ่มสร้างความทั่ว์จะไม่มีกรรมตามสนองในคันระยะนั้นเพื่อสรุปผลงานเอาไปชั่ชาติหน้าที่ยู่คนที่นอนกินนั่งกินนั้นจะไม่มีเวรกรรมจะไม่มอหนหยุดถ้าคนไหนจับทํางานที่มาต้องมีกรรม ตามรน่วุนายความวัวเป็นนหายความวายเขามืนยุ่งนงานจุนเพแล้วเราก็ะับไปน้อยเนื้อตันใจว่าทำดีไม่ดีมือมงมีกันบ้งถ้าทำหลายใจสืไม่ได้ลงมือทำกิจกรรมไม่ไดต้องมีมันถ้าชแล้วจะไปน้อยเนืตนใจผู้ใหญ่มองไม่เห็นงั้นเราก็จะเสียใจว่าทำงานถ้าโดนจะตายไม่มองเราหรือไม่มองเราหรือนี่ไุ้ดนี้เป็นสุดสำคัญงั้นถึงได้ความดีขึ้นมาในใจของเราน่ด จนไปเป็นนี้แหละเนาะได้ความมาจากกุแห่งกรรมว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะมันไม่มีใครมาทวงหนี่เหมือนเรามีน้ำค่าอยู่อย่างนี้ไม่เคยค้าขายเราเป็นหนี้ใครก็มีใําทวงถ้าเริ่มค้าขายจะกำไรทวงเช้าทวงเย็นทวงเย็นทวงคืนแน่นอนที่ขอฝากข้อคิดชณะอาจารย์ไว้เด็ดในที่นี้เดี๋ยวก็นอนอย่างตามใจนะเป็นความจึิงขึ้นมาแล้วนะแบบนี้ธรรมาก็มาเริ่มมันอยู่แบบนี้พศ2550ดำรงตำแหน่งเจ้าวัดนี่วัดนี้ สอสต้รงอยโดนมีตาดวงฟงทุบมากมาเลอวเกินไม่เจริญเลยอย่างที่ทรานอาจารย์่าแล้วว่านที่ไปชุมเนี่ยมีเท่าไหร่มีต้นมะม่วงคือวัดอันพรันมาแต่เดินทือสมัยกรุงีอยุธยาและโบทนี้กับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้พระละพระธาสถานประกาศอันงูธนายังไม่มีพระราะธานที่ถึงความสิมาเหมือนสมัยนี้เป็นการเตประกาศอังูนารังงวพระราชาที่เราทำร้ายจากถวายเปกุศลเข้านั้นเอ อันนี้ขอกล่าวต่อไปอาตมาก็เริมใช้กลับเริ่มใช้ฟําจะเล่าแต่ที่เล่ามาแล้วหกประการนี้อาตมาก็กำลังเจริญสมาธิเขาเน่ะลืมไปง่านี่ยที่ทำไปแล้วลืมทั้งหมดไม่มีเลยจำได้ลืมไปง่ายคลางไปเด็กแล้วไปเจ็บข้อตกก็ลืมไปง่ายก็ไปโกยข้าวในในใ น, ในลานเข้ามาโองข้าวรักข้าวสาบัดเป็นกดแทงตามที่ต้องอุทิศสมุูรไม่หยา แน่นอนโดยที่ทีนี้นะโยมพรบาลบอกไว้ชัดมีเรืเร่องเล่าแต่จะไม่ได้อย่างนั้นถึงสองล่างนางของข้ตายแล้วกลับมาอยู่กับผัวอีกอยู่ที่คาตะโกนเองมาสร้าคุณจะมาฐานไปหลังอกคือวันนี้ทื่นายชาอิ่งอันนี้จะไม่ขอยันกล่าวไม่อยุ่งนั้นเราถึงจะมาต่อไปถ้ามีพยานหลักฐานดีนั่งเจริญสมาธิจิดก็เข้าสู่ภาวะปัจจุบันปัจจุบันติดสงบมากเท่าไร ย้อ น, นหลังไปได้มากใช่สามสายน่าจะจำเหตุการณ์บาร้งไปเด็กได้ทันทีอีกครั้งหนึ่งบันหนึ่งอาตมาจะไปเยี่ยมลานเบเจเิ๋งคือมาชุนวรวนไปถามได้เขาผ่าท้องแม่ชุนวรวนนะข้างธนาคานะก็ก่อนนี้อยู่ทางซ้ายนี้นั่่งองไปมีนอยู่ทงางขวามือเลยเขาซื้อที่ถึงยิไม่ได้ว่าที่แทนชื่อของไม่ชื่อว่าตักน้ําเป็นป่าดงทรงทิพย์หลวงพ่อหลีที่มาปักตร์อยู่แล้วก็บอกก็ไม่ชื่อชื่อนั้น แล้วก็หมอมาชี้บอกที่นี่จะเป็นที่จะะุดรถสามว่ามารถสามไหนก็ไปที่นี่ก็ต้องตกลงวางดีทีก็ไปตามลูกคิโรปรีกลับมาก็บอกลูกเลยตีความฝันอย่างนี้ให้ไปบวชทีไอ้บวชเนินจ้ะไอ้เจ้าเดชเห็นด้วยก็กลับมาเมื่อสมัยนั้นรถไม่มีต้องมาเรือยนเรือปลุกเดินสิงบุรีชโยโมีเรือยนเมื่อสมัยยังมีเรือแดงเรือเรือสีหมูเรือเขียว เรือสินค้ารถลามันยีเพราะว่าลงเรือมาสามคนตะกิมเด็กกลุมล้อมโดยลูกชายก็มาขึ้นหนาวัดอาตมาอยู่พอดีต้องมาเป็นสมภารได้สองปีขึ้นมาถามาโยมาทุระอะไรหรืออ๋อดิฉันจะเอาลูกมาฝากบุญเงินบอกโอไม่ได้ไหม่ ร, มรับอาตมาไม่ได้เป็นอุปชาต้องมาเป็นสมภารได้สองปีก็ทําไมโยมาเรือ่องมาที่นี่อุปชาก็มีที่วัดนั่นน่ะวัดแกนเนี่ ย, นนยมี แต่พอครูพรหมจะยะกคูณตอนหลังแต่เป็นจะคูณพรนาคาาราชานชื่อหลวงพอดีทําไมเลยมาั่ะอาตามาจะฝันเนี่ยอาตามาก็ต้องไปบวชนั่นแหละผมฝันไปเด็กกลุก็บอฉันฝันไปอย่างเนี้ยฝันอย่างนี้อย่างเนี้ยเออตกใจอาตมาก็พัฒนาทมเด็กกลุ่มเออเด็กคุณนี้เคยเห็นหน้านีเ่เคยเห็นหน้าเนี่ยมีทิ้ไว้ก็บอกอยอมขอโทษเราเคยขายเสียมะเนี่ยขายจ้าขายที่หน้าโรงเรียนตกตาย มาทวงค่ากุวเตียวเลยนะีแล้วก็ขายที่หน้าวัดบางกุซาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลิกแล้วเลิกแล้วขายที่เผือผัดไทยใช่ไหมใช่โอตาเยเรารู้แล้วแต่ไม่ผูกเอาละยอมรับรับรับเอาลูกไป น, นี่เลยเดี๋ยวจะบ่ให้วันเนี้ยเดี๋ยวเรือชโยมาเนะี่ยเดี๋ยวโยไม่มีเรือกลับอาตมาก็ไปส่งตะ ก, กินก็จะเติมลงเรือไปพอลงเรือไปเสร็จก็จัดการกับลูกชาย อาตมาก็นํารืลงเรืยนต์อาตมามีรืยนต์อยู่ลำหนึ่งไปที่ตลาดซื้อผักไก่ซื้อมัดแนวซื้อหมดสอง้อยบาทสอง้บาทเนี่ยข่าขูุเตือไม่อกี้ตามต้องใช้หนึสอง้อยบาทซื้อรองซื้อรองเท้าซื้อบาทซื้อเสร็จไปเลย่เหาวิชากอนหัวไปเสร็จบวชบวชกลับมาถึงวันสามทุ่มสามทุ่มเลยแล้วก็พอบวชแล้วให้นางกรรมฐานให้ตรงาีญิงนางกรรมฐานมีปรัชนาโบสถ์ล้างเท้าเพราะนางกรรมฐานได้เจ็ดวัน พอเจ็ดจะถึงขั้นแล้วอาตมาก็หลับประวัติตู้แต่ตัวเลยมาจะกล่าวบทไปถึงก้าวหัดนายใจจิงสาเรื่องละรักกุ้ยเตียวโอกอุ้ยเตียวแม่เจ้าแล้วก็ค่าจะซื้อเครื่องจีวรเนี่ยบอกว่าเราไม่เอานะใช้ข่ากุ้ยเตียวไปแล้วกันนะก็ได้หมดเวรหมดกรรมเสักทีไอ้เจ้เด็กนี่ได้ทิศบอกเอเนี่ยลวงเขาเรียกอาตมาหลวงพี่ตอนสมัยโน่นตอนนี้เขาเรียกหลวงตาแล้วนะตอนนั้นเรียกหลวงพี่ บอกหลวงพี่โอหลวงพี่ขนาดนี้คุอเหรอแล้วผมนี่จะขนาดไหนตายคืนเป็นบาปเป็นกรรมนะเลยบอกหลวงพี่ผมอยากขอสุดเอาสุดทำไมสุดไปเรียนต่อนี่อยากเรียนถือทันทีนี่เราหนี้คนดีเนี่ยเรียนตาดโรงเรียนหนูจะไม่ะเรียนตัดโรงเรียนไม่เสร็จทั่โรงเรียนเม่อยางเนี่ยนายี่สุดทําอยังไงขอสุดแล้วไปเรียนต่อเดี๋ยวนี้เป็นนายทหารเป็นทหารอากาศใส่ตัวใหญ่ไปโตเป็นยายปปนาวามองนี้เนี่ย นี่ชื่อเห็นนิชัดแล้วอตาตมาก็ก่อซิปเพื่อบอกเหตุผลบอกว่างเงินที่ซื้อภาคไรเท่าบริกราต่างๆไม่เอาสองบาทให้นี่ไปในเวลาการต่อมาใกล้ใกกันเกิดร้อนใจนั่งสมาธินึกถึงข้าเลยเจ้างเิดตยขึ้นเองนี่พระคุณเจ้าไปโกงข้าเลยจ้าตะก้อยนี่ไปชใช้นี่เขาเนอะทัตจมิกำติดไปในช้า น, น้าให้ใชาซสหมบนี่อตาตมาวิ่งมาโยนไปตอดหน้าบันตะก้อยตะก้อยจะ ย, ยุบากคิดแล้ว แกจะรียจ้างมาตั้งแต่แกนะเบือละสามถือเป็นตามยังโกงไปนอีกแก้วทับตายทั้งรับทั้งส่งนะแม่น้ําจ้าพยาเนะี่ยเลยไปตะป้อยไม่สบายบอกเจ็บมาเป็นเดือนไปแรมเดือนแล้วอาตอมาก็สตามไปสองรอยเท่าราคาผูา้เสี่ยวเอาไปก็ตามไ้ดีเอานมเอาผู้องคตีไปด้วยแกก็พับไม่ค่อยดีเน่ะอาตอมาตัวลูกเขาจะรู้อ่ให้เขาพระไม่โกงใครจะเลยประกศที่ปู่หูบอกโยมอาตอมาชื่อนั้นนะ มาสมัยนั้นโกงใครจะจ้างโยมไปสามเดือนสามสิบประทังก็เก้าสิบประงนะอันนี้ตมามาทําบุญก็โยมสองร้อยงานะแล้วแต่โยมครับครับอ้อาปากพงอ้าครับเอาโหคือจําให้ตมานะครับแล้วก็ใส่มือเลยแล้วพวกลูกหลานนินทาบอกวหมเมื่อวันซือนี่พระวัดตึกกับวัดตะควายมามาบอกบุญแล้ววันนี้องค์นี้มานี่วัดจะบอกบุญกลับมาให้สตังถ้านอยู่ไหนเนี่ยไปอยู่วัดทวัน เลอพออาตมาให้โสโหสิกรรมเนี่ยตายะกรรมมังวจีกรร ม, มังมนกรร ม, มังไม่รู้เท่าถึงการเลยนะโยมนะว่าวไว้แล้วก็ให้แล้วอาตมาลงเรือพอลงเรือออกไปยังไม่ทันออกถึงกลางน้ําตะก้อยตายก็ก้อยตายพอดีนี่อ่ปไปที่หลังเสียใจเกินดูมาอีกสองเดือนเติดเนยถึงจะืนหวมขึ้นมาก็าต้องตายเนอไปสองร้อยเรื อ, รอนหลวมเป็นอำมาตยจะตายเ่ย เยนวมอายุปาิปาฏิป า, ปาแล้วก็ใกล้จะตายอตาตมาไปทำพิธีนี้อีกเไปบอกใี้หูบอกอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาตะตังใส่มือเลยมาตาไม้ก็มีแล้วบอกโอ้โหสิทำให้อตาตมาที่กั้งยังเป็นเด็กองข้าเด็จ้างของคุณยายนะโอ้โหสิจ้าจ้าพออาตมาออกเรือมาอยู่ได้สองวันได้ข่าวว่าเยนวมถึงกรรม ตาแล้วอาตมาส่งพระไกรไปช่วยใจที่วัดท่าควายทําการเท้าปั่นนี่เท่ยเหนยยนน็นไม่ทัดต้องใช้นีฉะนั้นมมีที่ไหนในเวลาตามต่อมาเนี้ยในวันที่สิบสี่ตุลานะอ่อเดี๋ยวเล่คาครับเราถึงเรื่องรักอ้อยวางบ้านแหลกไปอาตมาลืมแล้วมาบวชอยู่นี่เนี่ยเขามาข อ, อนี ม, มนคนที่สามคนเน่นะมานิมนต์กันมาให้ไปช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดราชประพ บ้านของเขาอาตมาก็ดูเอ๊ะจำได้เนี่ยอาตมาตามคุณแม่บ้านที่เราไปคว้างมางั้นเนี่ยวางแหลกแล้วด า, าแล้วแหลกไปเลยเอย๊มากลับมานิมนต์ให้เราไปช่วยสร้างโบสถ์อาตมาไปเลยนะไชนียอยู่สองปีช่วยสร้างโบสถ์แล้วบ้านนั้นจะปลูกเรือนจะหาหนายประกันไม่ได้สมาช่วยรับประกันให้กู้เงินที่บ้านไล่เศรษฐีเอามาปลูกบ้านในไชนีไปหมดแล้วนี่ความบานเขานะี่ยแล้วเขามานิมนต์เราเขาไม่รู้เรื่องเหตุผลต้นปลาย นี่โมได้ช่วยสร้างโบสถ์ตมาเขช่วยสร้างจนเสร็จนะสร้างเสร็จด้วยนี่เราเควรไปความบานเขาต้องตามไปใช้นี่แน่นอนนยอมท้างหลายไปวิจาวเองในเวลาการต่อมาวันที่สิบสี่ตุลาเที่ยงสี่สิบห้าพศสองพันห้ายี่สิบ็ดมินาคม ก, ก่อนนี่หกเดือนบอกว่าพระคุณเจ้าวันที่สิบสี่ตุลาเที่ยงสี่ห้าตายจากวัดอวันแน่นอน อตาตมาเคยแม่นก็จดบันทึกจดประทึกว่าห้ญาต์ยอมรู้เรี ย, รยงสี่ห้าโดยวิธีการใช้นีนกที่ไปฆ่านกเป็นร้อยๆวันนี้แน่นอนอตาตมาก็ประชุมสง่งมอบหมายงานหมดเลยบอกว่าก่อนออกพรรษาสามวันตรงวันที่สิบสี่ตุลาวันที่สิบหกเป็นวันออกพรรษามีพ้าเ น, นียนต้องหาสุดที่วันนี้อตาตมามอบหมายงานหมดหมอบหมายงานหมดแล้วก็อบอกกระยอมกรรมาฐาน ที่เขาเคยมาฝึกสองวันสาวันบอกว่าอยู่คนละเดือนนะอาตมาจะมีมีผู้สอนนะเดี๋ยวอาตมาจะไปเลยไม่มีใครสอนโยมเขาก็มาการสร้าไป้างหลังก็อยู่คนละเดือนคนละเดือนคนละเดือนเดือนสุดท้ายเอาโยมผู้ชายมาเพื่อจะได้เอาเราไปโรงพยาบาลหรือไปเผาโดยผู้หญิงคงเอาเราไปไม่ได้แน่นอนโดมผู้ชายมาต่อภัยหลังเป็นที่รู้ทั่วไปของปั้นนี้อาตมาประกาบุญศลาเขาก็เสีย อ, อกเสียใจว่าเอ๊ะ่านจะมาตายยังไง ก็อลองดูกันต่อไปว่าจริงเท็จประทานได้เพราะวันนั้นยังมาไม่ถึงนี่โทษขานก <c oughs> ดูซิว่ามันจะตายอยู่ทิจิไหนอตมาไม่เสียใจเนี่ยรู้ตัวอยู่ไม่ได้กําไรถ้าคนไหนไม่รู้ตัวมันขาดทุนนะเตรียมไม่พร้อมนะวันนั้นพอดีแพทย์หมอโรงพยาบาลสีลาดมาถวายพระทหารเทวทีนี่วันที่สีสี่ตุลาพอดีแล้วพอดีอตมาจะต้องเดินทางในวันนั้นเพียงต้ออกวัดไปจะชิญมัตุบิษณาราม โดยหลวงพ่อธรรมยานมุนีท่านมีมนท่านไปสังเกต ก, การประชุมเจ้าคณะเพอทั้งหมดอาตมาก็จําเป็นตรงไปเลยรอฉันเสร็จแล้วแยาถาสพัพีแล้วก็บอกกับแพทย์หมอบอกว่าอาตมามีความจะเป็นนะนต้องขอลาไปแล้วบายพบกันให่ถ้าคุณหมอยังไม่กลับพักแรงก่อนอาตมาก็รีบขึ้นรถปิกอัพทันทีเที่ยมกว่าแล้วดูที่สี่ภาคตรงไหนอาตมาก็เปลีย่ยนเปลียปล่ยนเครื่องดูอนใหม่ทั้งหมด ยามเย่ใไม่ถอดดับดูที่จะไปรูปไหนเอาในกาใส่ยากแล้วก็นังสือพกอ่านออกหลังวัดปล่อยเบึนงไปถึงปั้มน้ำมันตลาดปากบาวลถเบาปล่อยเบาเนี้ยจะเลี้ยวขวาเข้าบังงาไปสู่ทางลบเรีบถึงว่ากบิสลาลามพอจะเลี้ยวแวบเปิดเลียขวาแต่รถเราแลนด้ารตัวเปเลี้ยวขวาจะเลี้ยว ไอ้รถตามหลังมาสามคันแซงซ้ายไปเนี่ยเราก็เลี้ยวออกไปได้รถทัวทันจิต่ตอยลอยสุดดูสุดันุนดอกลอยจนที่มาเลยบอกไม่เห็นรถเราเว่วงเข้าชนทันทีเว่งเข้าชนแล้วมีนาวากาตรีวาดเจ๊แก้วบนอสองอาศัยรถตมาไปด้วยลอยขึ้หลังมรถทัวไปเลยลอยไปเลยตกตอนหลังที่เนี่ยดำน้าตมาเระชนป้องยิ่งกับฟ้าผ่า อาตมาก็เคยเดินฟ้าผ่ามาแล้วสครั้งแต่ไม่ตายนะแต่รถชนนี่ดังยิ่งกว่าฟ้าผ่าถูดับเลยแล้วอาตมาก็พุ่งจากรถไปยี่สิบวันแล้วไอ้หนังนี่ทะลกหมดเลยนะไอ้กระจกนี่เอาหนังนี่ไว้ข้างหลังหมดแล้วศี่ษาก็เถาเลือดเต็มจมูกเลือดเต็มจมูกเต็มปากหมดหายใจไม่ได้แต่มาหาใจในทอ้องอยริลืมนะท้องี่หายใจได้นะอย่าลืมว่าเด็กอยู่ในท้องนี่ไม่หายใจ มันกินอาหารอากาศทางสะดือรกแน่นอนนี่เราจะฝึกไอทองหนอยยุ่งหนอมาเลยมันเกิดหายใจทางทองได้และพูดได้ด้วยนะคอหมุนไปแล้วไอมือดีอยู่มือหนึ่งก็อลองคาดูออกไอหน้าผากนี่กดที่หน้าอกแล้วเอามือดันขึ้นมาพูดได้แต่หูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นตายไม่สัมผัสทั้งหมดก็ไปนอนจมปลักดูห่างจากรถยี่สิบวั บินออกไปแบบนกเลยบินแบบนกเลยสบายมากบินแบบไหนรู้หมดรู้นาจาบินออกจากรถไปเลยบินสบายที่วอนขาดหมดสะบองขาดหมดเหนือจอากอังสะกตลองกระแล ง, ลงแล้วไปซบอยู่ตรงโน้นจะชาทนมามากอาตมาก็เอ่ยเผยว่าจาโย์ยอมช่วยอุ้มหน่อยจ้าไอพวกห น, นุ่มๆบอกเฮ้ยอย่าไอุ้มตายหาแล้วหัวเละขอพับไปเลยได้อยัดตายได้พวกกลุ่มหนึ่งก็กเฮยอย่าไปยุ่งเยี่ยผีเข้าแล้ว ตรนนี้ 4, สี่ห้าศพมาแล้วตี่แยกเนี่ยอย่าไปต่อเ น, นีลยอ่ะตมาบอกว่าไม่ตายช่วยหน่อยตอนจนตำรวจมาหรือคนแก่แกมาบอกว่าไม่ตายอย่าลงไปจับดูซิถึงแม้ว่ามาตมาขึ้นรถแล้วตามามีมือดิ้วหรือมือนเน้นก็ดันขึ้นเงนคอขึ้นตาลือไม่เห็นเห็นว่าไม่เอกหมอกหูไม่ได้ยินได้ยินบ่แวบได้ยินบันโทรศัพท์ทางไกลฉะนั้นแล้วก็วิ่งรถที่ทำโรงอีกทัานขับซื้อในชาว เปนผู้จัดการลงอิด ก, ก็เอารถสองแถวรีบไปพอถึงหน้าโรงเรียนกเกษตรบุษงยาลยเกษตรหน้าหลังวัดกระลงังเสียงต่ากระซิบกันเดี๋ยวจะเอาทําให้สมน้ำใจสักเดี๋ยวไอ้น้ำติดตูดพูเข้ามาน้ําร้อนระเบิดหมอน้ําเอาเราคนเดียวถึงที่จ่ า, า, ล า, าลาดเราคนเดีย ว, ะะยวแต่ไม่รู้สึกร้อนแต่รู้สึกร้อนที่มือร้อนอย่างเด็กขาดแต่ที่ตัวไม่เป็นลายเปียกหมดนี่ดูไหมเนี่ย เตามันจะมาซ้ํามันดอกสมน้นํานาต้องเอาน้ําร้อนลวกอีกถึงจะสมใจนี่น้ําร้อนลูกอาตมาคนเดียวนะไอ้โชเฟอร์กินในเทาบอกแหมไม่เคยระเบิดเนี่ยไอ้ถังน้ำร้อนยี่สิูดไอ้รถต้องแถวเข้มาแปลงใหม่ยังไงนะในสุดไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วอาตมาที่ฐานหมอสมหมายท่องประเสริฐก็เอาขาใช้เสล่บอกหมดทางตรงนี้ขาดไม่มีทางที่จะช่วยได้ได้ยินมาแว้ เลยที่นี้ก็ถึงอย่างก็ตามนะเอาศีส่าไปเจ็บจะถกหนังก็มาตามเดิม น, นี่ทําไมจะถกหนังนกถกหนังนกนะนี่ไปหมดเลยนะหายใจไม่ได้สิจมูกเลือดเต็มจมูกสเสลี่ยเต็มปากแต่มาหายใจได้ท้องคล อ, องหน อ, อยุบหนอได้แล้วพูดได้แล้วที่นี่หมอเขาก็เอานอนตรงตรงมีรถสี่ลอ้อนอนตรงตรงให้เข้าห้องทุกเฉินโดยด่ ว, ดวน แล้วก็รีบล่องไอ้บุรุยามาลก็รีบพุ้งพุ่งพุ่อาตมาที่ฐานจิตว่าข้าพเจ้าไหนเมื่อยังมีนี่สินผูกพันกับประชาชนขอให้ข้าพเจ้าได้กลับมาใช้นี่ประชาชนเถอะถ้าข้าพเจ้าใช้นี่ประชาชนหมดแล้วขอใข้าพเจ้าไปอยู่นี่เรารู้หนทางแล้วแล้วต้องตายเนี่ยในนาทีนี้เลยลถเกิดไปตกล่องไอ้ล่องไ อ, อง้ไอที่มีประตูเหล็กมันมีรางคล้ลองลอกติดเลยคอเข้า ได้ทันทีเลยบุรุษพยาบาลบอกนึกว่าตายไปแล้วนะกลับฟื้อนอีกคนนึงมาบอกเป็นที่อ้วนะ่ะเขาอ้วไม่สายตกลอ่องฟื้นก็ดีเนี่ยกลับมีทั้งดีทั้งอะไรเนะี่ยเออทําไมตกล่องดูสินี่เป็นที่อ้วนะวัวฉันได้สใส่เต็มที่ไปให้รถตกล่องเลยคอท่านเข้าเลยพอเข้าแล้วยกแขนยกขาได้ลืมตาเห็นแจวเลยโอ้ยินตั้งเลยแล้วทีนี้หมอยังสงสยัยบอกว่าข้งแรงยังไง หมอมาให้เอามือมาให้จะมาบีบเบรกลองโอเลยทุกคนนางพยาบาลดัดจิตกลับมาบอกไหนลองถีบฉันซิขามีแรงไหมบอกเอาขาเดียสองขาเอาขาเดียวก่อนแล้วก็เราก็ถอยหลังขามาเอามาเยนะ็เนแงะแงะยบ่งลงไปเลยบอกนี่นะดีนะเธอนะแต่สองขาเธอตายนะเขาต้อกว่าเราไม่มีแรงบอกให้มานี่จะตายยังไม่ถีบเราได้ชี้เห็นได้ชัดโดยที่นี่แล้วก็ในเวลาต่อมาหายใจไม่ออกเราขอค่ายแล้วหายใจไม่ออก ัวดตดเป็นกําลังเพราะฉะพูดเพงตอนนี้ขอเตืนอนทรอย่าโยมเลยว่าโดดระวังคอประสาทกับตูดอันเดียวกันนะถ้าขอเข้าต้องปวดตูดถ้าโตูดล้มจามะเป็นอมาภาพทุกรายโปรดทราบแล้วมีเด็กลูกหลานอย่าตีตอย่าตีตูลูกนะเสียประสาทการเรียนนังเสือแม่นอนนะขอเรียนไปด้ปวยพูดมาถึงตอนนี้ขอเรียนไปด้วยอันนี้ได้าดํามาเรื่องจริงเพราะฉะนั้นพอขอเข้าแล้วนะตู เจลหายใจไม่ออกเพราะกมูกมันหายใจไม่ได้หมอต้องม า, ามาสูบสูเอาเศษออกแล้วจึงหายใจได้ตอนนั้นหมอบอกมันเดี๋ยหายใจแต่มีชีพจรน้อยมากโดยที่นี้พระมาก็หายวันให้คืนแล้วหมอก็ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะนอนพลิกศีรษะไม่ได้แต่แข็งแรงดีแล้วพลิกตัวไม่ได้เลยจึงโทรศัพท์ทางไปไปหาอาจารย์ประดิษฐ์โรงพยาบาลเลขอกสิน คือหมอประกอบเป็นผู้น่วยการถึงบุรีเขาไปอาจารย์หมอกระดูกโดยอาจารย์ประดิษฐ์ที่โลกสิศินบอกไม่เคยเห็นขอหากมกระจายเอามาดูซิก็ล่วงเช้าไปอีก่ใส่รถหามไปใส่รถโรงพยาบาลฉิงบุรีไปที่เลกศินไปถึงก็หามขึ้นชั้นบนหมอไปดีใจเสื้อนอกไปงานเข้ามามาดูแล้วเอ๊ะทําไมเป็นอย่างนี้ถอดเสื้อเอาแพทย์มาวิจัยทําไมไม่ตายแล้วเดี๋ยวหมอประดิษฐ์ถอดเสื้อออกหมดไปเสื้อเอาผ้ามาพันที่กระพัน 15นาทีอาตอมาเดินได้เลยข า, ากรับไม่ต้องหามเดินขึ้นรถนั่งมาถึงสิงบุรีไม่ได้เคลื่นอนข้างโรงพยาบาลสิงแ ล, งและนายแพทย์บอกว่าไม่เคยเห็นร้อยต้งหมดร้อยถ้าเคลื่อนนิดหน่อยต้องทวงศีรษะเป็นเวลาแรมปีนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็มีความสงสัยจะวิจัย <c oughs> ต่อไปอาตมาก็มาอยู่สิงบุรีพอสมควรหายวันให้ตืน5 0วันออกเตรยเวลามาได้ อันนี้ที่เห็นไหมว่าเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลตามทุกคนนี่พูดมาก <c oughs> แถลกมาเป็นหมื่นเยี่ยมเป็นหมื่นเลยนะอาตมาได้เงินห้าแสนแต่ทีไหมคนละบาทสองบาทเขามาเยี่ยมเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเขาบอกขอหากไม่ตายก็ลำเลือกันมาเยี่ยมเลอได้เงินเข้าโรงพยาบาลซื้อเครื่องอุปกรณ์ตา่ตางๆไปสองแสนแล้วเหลือทางนั้นถอดกระินหมดไนงะถอดตาตาหมดใครขอให้หมดเลยไนงะมาเด้เอาไว้แม่แต้มเดียว อาตมาได้มีโอกาสทาบุญโชคโดยต่ออยู่ต่อไปงานนี้ที่เห็นได้ชัดแล้วที่นี่พูดมากหมอประดิษฐ์โรงพยาบาลเลือดกลุ่ก็โทรจากทางไกลามาหาผู้อุ้งเงยการบอกไปย้ายโงพยาบาลสถุทรเาจะพูดมากฉีดยานอนหลับนะเขาเอายาจะดนอนหลับมาจีดให้กินไม่มีทางหลับโู่ยาได้เขาบอกไม่งั้นแล้วก็ต้องเอามาใหม่นาะเอามาใหม่ยากท่านพูดจะได้หายไวถ้าพูดจะหายช้าอาตมาบอกต้องเรืองอะไรมีปากก็ต้องออพู ด, ด แค่มาพวกยาโยมามาเยี่ยมก็ต้องพูดกันเขาไม่ยอมเขาบอกพูดอะไรจนตีหนึ่งตีสองอยังพูดอยู่องเงี้ยเชกงานนอนหลับก็ไม่หลับพระองค์นี้กี่คนก็เม็นคนชอบกันเนี่ยจะทํำยังไงเนาะเลยกลับไปใหม่หมอ ป, ประกอบผู้นวยการโกหกอาตมาบุรพ่อจะฝปกออกแม้สาธุดีแล้วเปกนี่สายี่ถึงโตูดเลยนะตัวไม่ใหญ่เหมือนเต่าเลยนะเป็นเต่าเลยเปลกนี่นะ เดี๋ยวไปดูโลกได้ที่กุติ่ยังเก็บโรกแหวนนุสอนันเขาถ่ายไว้เป็นุสอนเพราะไม่เคยเห็นกันนะนล้วมาเป็น น, น, ปนี้แล้วก็นำไปกรุงเทพหมอประดิษฐ์บอกของพ่อจัดการใหม่นะครับหายไวเอาเอ า, เอายังไงก็ได้แล้วกั่หมอเราจะมาไปจํจำเลยหมอตะโกงเอาเสือกออกสบายมากเนืกก้อกวรจะเดินกับเปล่าใส่ไม้เพริรมบห้ากิโลเพริรมบห้ากิโลไม่รู้ความหมายของหมอพอเพิ่มเสร็จแล้วกลับมาถึงซิงิบุรี พูดไม่ได้เลยอาปากไม่เคลือนอาปากเลือดไหลมันมันขบนะทําไงเลยเนะี่ยข้าวจะกินน้ํนาก็ลาบากต้องเอาไอ้หลอดนัแ่แยงแยงแล้วน้ําปลอกนึกถึงหยายยหญเลยเป็นเปรตเอาตอมาก็ไปเปรตอยู่ห้าสิบวันฉันข้าไม่ได้ต้องยัดทีละเมตรนัดขึ้นไปนี่ยปากทะลุเข็แมแน่นอนนถึงต้องใช้นี่เปรตเลยเนี่ยพูดไม่ได้ และอาหารทั้งหลายต้องยัดและกินน้าต้องระบาดใจเลือกเกินกระทั่งที่ลุกก็ระบาดอยู่แล้วต้องอุ้มอุ้มและเดินได้เพราะมันหนักสืวกอีกห้ากิโลทำนองนี้ไะอันนี้ได้ความมาว่าต้องไปเปรต ด, ดังที่กล่ามาเช่นเดียวกันอันนี้ตมาก็หายกลับมาวัดหมอให้สายปลอคอไม่สายอายเขาแต่สายยาเหมือนผีเดินในตรงเลื้ยไปทั้งหมดเลยไม่ไหวเดี๋ยวนี้เป็นบ้าง หมอเบาใจเคลื่อนนาะพ่อนะอาจารย์ประดิษฐ์วางงานไม่งับเป็นอามาภาพมันทางภาษาหายแล้วก็มีลุงนายมิหนึ่งว่าก็ตายไปแล้วนะเนี่ยตายไปแล้วปร ะ, ะมาณอีกตายไปแปดปีแหละแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ขอหักขอเจริญพรที่น้องทั้งหลายว่าข้าวไม่นึกอยากเปรี้ยวรสหวานมันเค็มไม่นึกเลยและก็อยู่ได้คืนยังรุ่มไม่เป็นไรอันนี้มันสบายใจมากหลายประการอันนี้ชี้เห็นได้ดังที่กล่าวมา โยมาในนาช่าสร้างหอประชุมชายนยีดังที่สัญญาไว้แล้วก็ทำคูกั้นวัดหมดชทยนยีหมดเลยทุกอย่างสร้างที่ห้องพักสร้างห้องน้ำช่วงเพิ่มขึ้นอีกสามสิบสี่สิบที่เป็นการใช้หนี้ประชาชนต่อไปตอนที่จะทุ่งลากเนี่ยอาตมาก็เวียนขอนออกไปถูกสุนัขเขาตะมูกเลื้อกพุ่งสลกอาตมาต้องพต้นการเกิดมาโขล ก, กน้ำเส่ากรอกสุนัขพืนขึ้นมา ไม่ได้มีเจตนาเลยนะแต่ในหลักพระวิช า, าบอกเจตนาหางพุทธเวกรัมังวะทามิเจตนาถึงจะเป็นตัวกรรม้าไม่เจตนาเป็นตัวเกริกยายายะรู้มนะยกริยาก็ต้องใช้เนี่ยเหมือนเราไปในล่างค้าไปจับแกว้วเขาดูเนี่ยจะซื้อเขาไม่ได้มีเจตนาแต่แกว้วเขาแตกไปด้วยการหลุดมือด้วยความประมาทของเราโดยมารายาทต้องใช้แน่นอนแต่ในเมื่อเขานั่นกับเราชอบพ อ, อ ก, กันก็ยื่ยนหนึ่งไม่ต้องใช้ครับ อย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งโอ้โหสืบไปเพราะฉะนั้นในหลักพฤติกรรมบอกเจตนาจึงจะเป็นตัวกรรมถ้ามาเจตนาเป็นตัวกิริยาถ้าคนเข้าขั้นในความดีต้องใช้พังนั้นโดยรายละเอียดของชีวิตเนี่ยตมาต้องใช้อีกเวียงขอนไปโดนสุนัขเขาตะโหมเี่ต้องใช้ใช่ยังไงในเร็ววัยที่สุดไม่เกินตายทุกสี่ชั่วโมงแน่นอนแต่จะใช้โดยวิธีไหนอาตมาก็ได้ถือโอกาสไปที่รบบุรี มีวัดสร้างใหม่เขาเรียกวัดใหม่หลังตัวอำเภอเมืองจังหวัดลบบีมีชื่อสมพานพระครูจำงท่านก็นิม น, นต์ในตมายชมวัดท่านมีเต้นอยู่ที่นาคุติท่านนะอาตมาก็ไปนั่งท่านก็นั่งอยู่ด้วยญาติโยมก็นั่งเยอะพอกรี๊งโทรศัพท์มาสมพานก็ลุกไปเข้าไปรับโทรศัพท์สักเดียวหลมบะหมูนะพัดเอาเต้นทั้งหมดทังเลยนะแล้วก็รวมไปจุดเลยพุ่งเอาตมูอาตมาเลยวันกระเด็นไปเลยพางลงไปเลย หาหาโก้สมพานไม่ไปรับโทรศัพท์โดนสมพานก็ น, นั่งหลุมน้ากตมาโดนอาตมาคนเดียวเท่านั้นเลือกทุ่งเหมือนโดนสุนัขเช่นั้นแล้วตะมาก็กลับมาก็เขาเนี่ว่าจะเอาตะมาไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรถ้าดูโดนพระคุยจำลองต้องตายไม่ตายก็คางเหลืองเพราะเต้นทําเต้นเลยล้มบะหมูมาีทัดมาพอโดนนาตมาแล้วหายเลยลมนี่ลมตําจำะมาลมเวรกรามมันไม่พัดทุกเวลา เอกาอาก็หมุนมาอย่างนั้นเองเขายากลมบั้งหมูที่เราเห็นตามพุ่งผาหมุนหมู อ, อย่างนี้เต้นพังหมดเลยแล้วก็พุ่งมาตอมืออาตมาตรงเทตมาเวียงขอนไปชนชักชนนั่งเราก็สาทุนึกได้โอ้โหสิคับขา้าพเจ้ายอมรับกรรมของท่านที่เราทําท่านไว้โดนยิเจตบนาตอนบ่ายอตาตมาต้องมาบรรยายที่เทศบาลเมืองรบหลีเขาก็เห็นเลือดไหลก็เล่าให้ฟังเลยเทศเรื่องเดียวเลยเลียดกรรมเลย มาถึงว่าเรื่องอื่นจบในการที่เทศบาลเมืองลบลีท่านพี่อันนี้เรื่องที่ต่อไปนิดนึงลูกชายของอดีตรัฐมนตรีหญิงว <c oughs> ิมอนวิมอนริไปรัฐมนตรีมาสมัยนายธนินไตรวิเชียนแล้วนี้ลูกชายคนตัว น, นี้เนะี่ยเขาจะไปทําด็อกเตอร์ที่ต่างประเทศแต่ตาเขาบอดเมื่อตอนนั้นชอบยิงนกยิงลูกตาทางนั้น มายิงแม่ด้ยวยจะเป่ากล้องหรือว่าจะยิงปืนก็เอาตาท่านตานกะแตกทุกตววพอยิงแม่ยิงแต่บุเรียนยังสู้เกรงปัญญาดีอย่างแต่เขารู้เท่าไม่ถึงตามว่าเป็นบาป ก, กรรมของเดินไทยอย่างนี้เขายิ่งออกตลอดในเวลาตามต่อมาได้ปัญาโทรแล้วก็เปอาจารย์ที่จุฬาแม่เขาเป็นอาจารย์ที่นั่นคือคุณผู้มนตรีเคยมาที่นี่เสมอเพราะคุณแม่เขาอยู่ที่แปดริ้ว แล้วก็เป็นเอาอุปถากที่วันนี้เอาขนมมาเคาน์ขนมอร่อยที่ปะลึเลยก็เล่าสู่กันฟังพาลูกชายมาลาตมาไปทําดอกเตอร์ ต, อต่างประเทศก็เล่าปวดแห่งตามไปซึงมาพร้อมกับตมาก็ะล่บเขาน้ําตาร่วงบอกหลวงพ่อครับผมนี่ไปยิงนกเขาปืนมันแตกเอาลูกตาที่ยิงนกแล้วผมก็เสียใจ้ันปวดลูกตาแทบจะประเด็นแล้วก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลปวดทั้งกลางวันกลางคืนหมอก็วิจัยว่าเฮาอยัางนี้ไม่คุ้ อยากให้หายปวดในชั่วโมงนี้เอามแต่ต้องเสืถนะอถลอนเนี่ยก็ควักตาออกเอาไหมถ้าไม่ควักออกมันหายไม่หายจันก็งปวดทรามานเป็นเวลายันเดือนต่อไปโดยแต่สิ้นใจควักหมอควักเลยเดี๋วนั้นแล้วหายปวดเลยแล้วก็ไปซื้อตาปลอมมาใสา่เดี๋ยวนี้เชียเห็นที่ชัดมากหนูตามราจารบอกเพื่อนนะอย่าไปฆ่าสัปตัดชีวิเลยและเป็นความจริงมาทุกอย่าง ในเวลาการต่อมาดูซิลูกห ล, ก ล, กลวงปติไพเลาะไม่เคยรู้จกกักอาตมาเป็นเด็กเก่งเด็กเกดต่างคนต่างเรียนหนังสือกันทั้งหมดในอสอนที่รัฐบาลเบลีนอาตมาไปกินข้าวเ ข, า, ขาหลายวันในยุโสลูกเต่ามากินข้าวของเาหมดนะนี่คนแห่งตํานะเราไปกิงเขาเขต้องมากินเราดูมาในเมชาอาตมาไปเรียนชักปดคุณจิ้งจุนเนธธงโชพดตอนนั้นยังเป็นสาวตอนมาเป็นเด็ก ไปเรียนช่างคนที่ บ, า, บางคุชงพอดีสองสาวันนั้นคุณหญิงนี่ยังไม่เป็นคุณหญิงหาข้าวทานอาตมารากข้าวที่ด้านเขาหลายเวลาเขาจําอาตมาไม่ได้เป็นเวลานานแล้วอาตมาก็จําเขาไม่ได้ในที่สุดเมื่อไม่กี่ปีผ่านมานี่เป็คุณหญิงเนี่ยโดยมาก่ออธิบดีสม พ, พรเทสิติาัยร้อมด้วยสภาสงเฉพานต์อินทรชิตัยมาที่นี่ เลยมาหาลาพาวตมาเนี่ยอมคนนี้เคยเห็นหน้าไม่รู้ว่าใครเลยถามทูตยิ้งสมพรหนูบอกใครคุณบอกคุณหญิงชุนเทศเนี่ยเป็นภรรยาท่านอาจารย์ูพงศพนใช่ไหมไม่เลื่อนใช่ตายจริงวันนี้จะหาอาหารให้กินพิเศษพอเสร็จแลรกเรยอมเคยหุงข่าวจะมาทานนะมาเป็นเด็กโรงเรียนเนี่ยขอใชน่นี่ต่อไปแล้วมารับทานอาหารที่นี่หลายครั้งนี่ดูสิโลกกลมพี่น้องเที่ยวทั้งหลายโลกกลม ไม่ตาเจอกันนะเวียนมนอยู่ตลอดเวลาการแล้วเคยไปกินที่ไหนต้องไปที่นั่นเคยไปเรียนหนังสือต่างประเทศต้องไปที่นั่นเคยเป็นวิศวกรเคยสถาปนิกก่อสร้างรับเหมาถือเป็นในช่างอย่างไรก็ตามต้องบันทึกหลักฐานในเทปบิญญาณติดตัวไปในสัมภาระยภพถ้าดวงการศรึกษาไม่มีแล้วยัดเยียดไปเรียนก็เสือ่อมลาบละถ้ามีดวงการศรึกษาพ่อแม่จนนะไม่มีเงินียกตัวอย่างที่สุพรรณบุรีนี่พ่อแม่ยากจน หาชาวกินขําระดับกรรมกรแต่ลูกเป็นด็อกเตอร์เพราะเกดตรกคอรออกจากบ้านไปมันมีดวงการศึกษาดีเจ้าแต่แม่จนไม่สามารถจะส่งลูกเรียนได้ก็ไปรับจ้างเขาในกรุงเทพรับจ้างเรียนมเจดมแปดต่อไปเรื่อยเรียนกวัววิชาจนไปต่างประเทศสําเร็จด็ดดอกเตอร์มาเดี๋ยนี้ยังอยู่ในกรุงเทพนี่ชี้เห็นว่าเด็กคนนี้มีดวงการศึกษาส่งเสริมได้ไม่มีเงินก็เรียนได้มันต้องมีภเกดตรกครให้มันไปได้ถ้าไปลอกลูกเศรษฐีนะ มีเงินกี่ก็พอไม่มีดวงการศึกษาผู้ศรไม่พอไม่ต้องเรียนเนี่ยไม่มีโอกาสสาเร็จแน่นอนดูหนะ้าผากลวงให้เจริญสมาธิวันเพราะฉะนั้นขอเจ ร, ริญพรที่นอนทั้งหลายจงนึกถึงเวรกรรมจากการกระทํานี่อาตมาในเวรกรรมตามสนองหมดแล้วหมดแล้วถ้าผู้ใดโดยสุขใจต้องใช้นี่ทุกกฎเบณฑนี้ถ้าคนไหนไม่บอยสุขใจไม่ใช้นี่ไปรวมใช้ดอกเรื่องกันทีเดียวข้างหน้า ต้องตกละกรรมลำบากในโลกมนุษย์ต่อไปอีกช้านานแสนจะนานถ้าคนที่ดีมีปัญญาจะข้ามฝั่งฟ้าต้องโดนทวงนี้โดนตรวดถึงตาตรวดเป็นกันใหญ่ไปดูความไม่สุดใจแล้วจะไม่มีหนี้สินผูกพันไปคือนิพพานสมปราสนาทุกประการอนนันนี้ชีอเห็นที่ัดเพราะฉะนั้นขอเจริญพรที่น้องทุกคนอย่าให้ลูกหลานทําบาปเลยอาตมาที่ประจบการณมามากแล้วเช่นไปเอาของของเขาคิดว่าเป็นของเรา ในชาเขาก็ต้องอามาสรกเหลือสิบห้าคุณส ม, มชาติมนุษย์ติดโฉมนุษยปฏิลาโพคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโชคมีนาบดีต้องบรสุทธิถ้าคนไหนเกิดมาเป็นติดโฉมนุษย์ปฏิลาโพไม่มีโลกไม่มีนาบแล้วคนนั้นเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายไม่บริสุทมาเช่นปานาธิบาติดตัวมาในชาตินี้เป็นง่อยเปรียเสียขาไม่สมกูรณ์แน่นอนที่สุดร้อเและจะต้องเป็นอมพาสต้องทรมานผ่ า, ต, าตัดอยู่เสมอ สวันดีสี่วันข้าต้องไปรองพยามาลตลอดเวลามือเงินจิตกระพริบก็ช่วยไม่ได้สองอาินาทานเป็นโกดังกรรมของชุดมนุษย์ที่ติดมาแต่ชาติกรร่อนหกสิเปอร์เซ็นตแล้วรับรองตลอดชาติเอาเรวยไม่ได้ต่อมีคนมาเบียดเบียนทรัพย์โดนโจนลกรรมตลอดเวลาการทุกบ้านอื่นทำมันไม่โดนต้องโดนบ้านเราตลอดเวลาการข้อนี้เป็นข้อกรรมตาเมสุนิชาจารข้อที่สามถ้าบุคคลติดตะเวณีมาแต่ชาติกรร่อน ลูกผัวเขาเมียเขาจำลองนี้มาชาตินี้ขอประธานโทษเมียกี่คนไม่ยโชวหมดเมียผัวกี่คนเป็นของเขาหมดถ้าไทยไม่เชื่อลองทําดูในปัจจุบันจะเห็นในอนาคตถึงโลกหลานเลยมีนายทหารคนหนึ่งมาบวชที่นี่ร้อยเรเป็นลาโชว์สองพันรอยไม่ยอมเชื่อโดนโกงกรรมเมียอยู่แล้วมีลูกของคนแหละนี่นายร้อยจ่รอลไม่ยอมเชื่อบกท่านผู้หด